หลายหลายอย่างเห็นต้นสายปลายเหตุอนน้อยเราก็ต้องเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจโดยพาพวกคณะพยาบาลหม อ, อทั้งหลายที่พากันมาเจริญสติเป็นคาลบวันที่หกที่เกิดแล้วอนน้อยก็เห็นความลลาหามลงที่เกิดขึ้นกับกายเห็นความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจ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 เรารู้จักการมีสติแม้นไม่มีเหตุมีผลอันใดสาหรับปฏิบัติทำเบื้องต้นรีบกลับมาสร้างสติเรื่อยไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามกลับมาลู่สึกตัวกลับมาลู่สึกตัวไปก่อนเดินไปก่อนก้าวไปก่อนถ้าสิ่งที่เราเห็นเราลู่เราสุขเราทุกข์มันจะอยู่ข้างหลัง มันไม่อยู่ข้างหน้าถ้าเรารู้สึกตัวเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังในความรู้สึกตัวก้าวไปข้างหน้าสิ่งไหนอยู่ข้างหลังมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเิียงไหนอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นปัญหาเอาความหลงไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลังเอาความไปตกกองโจรต่างๆไว้หลังแล้เวเราก็ตอบได้จริงๆ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 เป็นเราสร้างสติไปในกายในใจิตใจรอยของสติจะมีอยู่ในกายในใจเรามันจะเหตุเหมือนเราเดินทางนั่นแหละเดินทางก็เป็นเป็นทางเวลาใดที่เราหลงโคลกคพงแต่มันก็ออกมาทางเราเคยเดินทางทางมันก็บอกกามมีความรู้สึกตัวนันเป็นมัก เห็นมัก้กทางเดินของชีวิตจิตใจเราเราได้เหยียบไปแล้วในกายในจิตใจของเราเราได้สร้างไปแล้วมันมีทางแล้วเห็นแล้วต่อไม่เกิดอะไรก็คิดเห็นพบเห็นลู่เห็นแตคิดเห็นมันยังอยู่กลยแต่ภาคปฏิบัติมันพบเห็นเห็นความหลงก็เห็นความลู่มาพร้อมๆกัน ก้าวออกจากความหลงไปสู่ความรู้ก้าวไปเท่านั้มันถูกความหลงยกขาออกไปสู่ความรู้เหมือนเรายกขาไปเหยียบหนามถอยออกมาไปเหยียบบันเดินยกเท้าไปเหยียบที่โคลนขี่โคนเหยียบคู่เดียวเลยยกไปเหยียบที่อื่นนั่นเป็นีงการเดินทางของกิจใจการเดินทางของกายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเอาตัวรอดมาถึงได้ทุกวันนี้ ปลอดภัยได้เพราะการเดินทางการเดินทางของชีวิตจิตใจไปสู่มรรคผลในผ่านก็เช่นเดียวกันนันเหยียบไปถูกความหลงห้อยกับบอกว่าเหยียบบนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นทางเป็นการสะดวกแล้วคนเคยเหยียบทางที่มันเคยเดินทาง มันไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันเข้าลุกเข้าผงเขเพราะทางมันมีแล้วก็เดินไปอันได้เส้ น, นได้ทางการปฏิบัติธรรมนะไม่มีใครที่ไปเอาความหลงไม่มีใครที่จะไปเอาความทุกข์ไม่มีใครที่จะไปเอาความโกรธไม่มีใครที่จะไปเอาความวิุกกงังวลเศร้าหมองมันไม่ใช่ทางมไม่ถูกต้อง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 จนอยู่ในความหลงมุกปนอยู่ตรงนั้นความหลงก็ลริขิตชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆนานาจนอยู่ในความทุกข์มุกปนอยู่ในความทุกข์ข้ามวันข้ามคืนหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์มกมุ่นอยู่ในความคิดหมกมุ่นอยู่ในอะไรต่างๆมากมายลงหรือว่าจนชีวิตที่จนกรอกไปไหนก็ไม่ได้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 เป็นมิตรภาพของจิตวิญญาณไม่ถูกเก็บกลุ่มข่มขังไม่มีการกดขี่ไม่มีการบังคับขับใส่นะปฏิบัติธรรมน่ยมันสะดวกมันคือสู่คืนสู่เย้าสู่ธรรมชาติมันคือสู่ธรรมชาติธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตใจมันยิ่งใหญ่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 มันไปติดอะไรมาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปติดอะไรมามันยังเป็นรสชาติในการติดมันเป็นรสชาติในการติดสามัก็ติดก็มางฉายให้เราดูหูมนก็ติดก็มาชายให้เรา ด, ม ด, มาาราดูมันติดความไม่ดีเสียด้วยนะ ตาเนี่ยมันสุกสนเจ้าสุกสนติดอันไม่ดีเชียด้วยเห็นเวลาใดที่คนเตือนหูเวลาใดที่ได้ยินเขาว่าเขาเินทายางโน่นอย่างนี้มันก็เอามาคิดมันติดทำไมจึงพูดอย่างนั่นทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างโน่นอย่างนี้มันติดเอามาทาไมเอามาทำไมเอามาทำไมเอามาป้องตัวเอง เป็นโจทย์ของเราเป็นจำเลยตัวเองเป็นโจทย์ตัวเองตัวเราเป็นจำเลยตัวเองชีวิตที่มีแต่โจทย์ถูกเป็นจำเยลยตลอดชีวิตทั้งชาติความหลงก็เป็นโจทยดเราก็รับเอาความหลงมาไว้ในกายในใจก็ถูกเป็นจำเลยของความหลงความทุกข์ก็เป็นโจดเราอยู่บนชีวิตจิตใจก็เป็นจำเลยของความทุกข์ ไม่เป็นอิสร ะ, อะพอออกมาได้เนี่ยโถมราจารพุทธธาตุว่าพ้นแล้วเว้ยพ้นแล้วว้พนแล้วเจงเก่งหลุดพ้นมาได้เจิงเก่งขนหัวลุกขนหัวลุกเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วสมไมเป็นเด็กก็เล่นขี้โคลน เล่นที่โคลดไปรู้จักสิ่งสกปลุกพวนโน่นพวในีนน้พอโตอขึ้นมาล่ะโอยไม่ได้พอเห็นเด็กเล่นที่โคนก็ขนหัวลุกขนหัวลุกไม่กล้าที่จะไปอยู่ในสภาพเพี้ยนนั้นมันไม่ถูกต้องมันสกปลุกความหลงเป็นความสกปลุกความทุกข์เป็นความสกปลุกความโกรธเป็นความสกปลุกความปรุงปลุกแต่งงเป็นความสกปลุก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 ชีวิตจิตใจของเราเป็นชนะความสะอาดหมดจดจากเครื่องเส้นสมองเรียกว่าชีวิตพรหมจรรย์ที่สุดของศาสนาคือพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะแสดงออกทางกายก็เป็นกายสุจริแตแสดงออกทางวาจาก็เป็นวาจาสุจริต แรงออกทงก้งจิตใจก็เป็นมโนสุดเจริตสุดเจริตคือชอบด้วยธรรมชอบด้วยศีลโดยธรรมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ชวนคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนเขาชวนคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนตัวเองไม่ให้เขาเบียดเบียนคนอื่นเลือ่อยไปแจกของสองตะเกียงไปเป็นชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตแบบนี้นจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามต่อกันไป เป็นหมูเป็นเม็ดเป็นกรรัญญาณเม็ดช่วยกันไปนี่แต่อของสองตะเกียงให้ช่วยใครไปได้ก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะวางคู่วางคนไมนะ่ทำให้ตนเดือดร้อนก็เป็นบาปเป็นบาปทําให้ตนหนึ่งเป็นทุกข์ก็เป็นบาปความโกรธก็ถือว่าเป็นบาปกับตัวเองบาปหนักตกนรกด้วยเหมือนกัน อย่าไปคิดว่าเป็นทำบาปไปลักขโมยนั่นตกตัวลกไปฆ่าไปตีเขาตกตัวลกไม่ใช่นะความโกรธหรือความทุกข์หรือทํำไมตัวเองเป็นทุกข์ก็ตกตัวลกเหมือนกันทําให้เบียดเบีย น, ยนตัวหนูเป็นตกตัวโกเหมือ น, นกันอาโลกของเขาอยู่จิตของเรานะไปคิดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยเขาก็เสวยแต่กรรมของเขายู่เช่นนั้นแนหะ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 จะมีจีเดือนจีปีจีพบจีชาติรับผิดชอบไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นิรัยฉานผู้ที่มีสตินะผู้ที่หลงเท่านั้นยังไปสู่อาวายภูก ป, ปานนั่นนะปฏิบัติธรรมบางทีจนพูดลงมากับชีวิตตัวโอปะโทโยกมว่า้ตัวเองเป็นพระได้แล้วเนาะเนี่ยมันเป็นพระได้ย่างจริ ง, งพระคือผู้ประเสริฐ ผู้ไม่เบียดเบียนไข่ผู้เบียดตัวเองอเป็นพระได้แล้วนาะอาจจะนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อผ้าถุงเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวสีอะไรต่างๆอาจจะเป็นพระในชีวิตกิจใจได้อ่าไม่ใช่ว่าโอ้เป็นพระคือเป็นนั่นอื่นไม่ใช่พระเนี่เกิดจากพระสัทธรรมพระสงฆ์เกิดจากพระสัทธรรม อยงที่เราสวดธรรมวัตรนะสัตทธรรมวิโชสุปฏิปฏิคุณาพยุตโตพระสองฆ์เกิดจากพระสัรธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นนั่นเกิดจากการปฏิบัติคำว่าสง์นะสงก็คือผู้ที่ทําลายความโลภ ค, ความโกรธลงได้เมาวางหรือทําลายลงได้หรือหมดไปเอาอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่าเอาเพศ อย่าเอาเพศอย่าเอาลทัทธิอย่าเอานิกายมาวัดกันอย่าเอาชาติชาติวนันละเมากันวัดกันด้วยคุณธรรมวัดกันด้วยคุณธรรมจิตใจบริสุทธิจจท์แค่ไหนเพียงไรจิตใจของเราสะาดหมดจดแค่ไหนเพียงไรนี่วัดกันโดยใจไม่ใช่วัดกันโดยรูปแบบวัดกันด้วยจิต ใ, แบบใจมีน้ำใจ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 เหมือนกับทางมันตรงไหนมันมีทางที่น้มไหลก็ปล่อยมันไปทำสะพานวางท่อไมปมันไหลไปไม่ใช่จะเอาทั้งหมดชีวิตเราเราอยู่กับโรคอะไรต่างๆความปล่อยวางก็ไม่ถึงมรรคถึงผลได้ความหยุดก็ทำให้ถึงมรรคถึงผลความเย็นก็ถึงมรรคถึงผลมรรคผลเอาได้หลายอย่างในชีวิตจิตใจของเราที่เราใช้ชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่มรรคผลไปแต่เรื่องเดียว ความปล่อยความวางความหยุดความเย็นความให้อภัยก็มไม่เป็นอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดทางไปสู่มากสู่ผลเยอะแยะได้จากกายจา ก, กจิตใจของเรา อ, อย่าให้มันเป็นโทษเป็นภัยเราไม่กายเราไปจิตใจกายใช้ใชใชจิตให้เป็นวัตถุปกรณ์ไปสู่มกักสู่ผนไปสู่สวรรค์นิพพานอย่า ใ, ใ, ใช้กายใช้จิตไปสู่ใบยภูมิ เราก็เดือดร้อนตเราเองเราจะทําให้เราเดือดร้อนหรือชีวิตเรานะ่ะไปหลงทําไมไปโกรธทําไมไปทุกข์ทำไมจะหลงจนตายจะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตแบบนั้นไม่ได้ชีวิตเลยชีวิตของเรามันต้องหมุดเสี่งเหานี้ไปจึงจะชีวิตเรียกว่านิลันโดนชีวิตนิลันดนเท่านี้เองการปฏิบัติธรรม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 ไดล้วที่น่ะ เ, เขาเมื่อวัไวันบางคนรู้สึกตัวไหมเขาก็บอกว่ารู้สึกตัวได้คุณเป็นถือศาสนาอะไรคนถือถือศาสนาคิดบางคนเขาก็บอกว่าผมเป็นอิสลามเมื่อมานานมานี่คนอิสลามมาที่นี่เขาบอกว่าเขาเป็นอิสลามบางคนก็บอกว่าพุทธบางคนก็บอกว่า บอกว่าเอามือวางไว้บนเขาเดี๋ยวนู่นมือคุณอยู่ตรงไหนนู่นมือคุณอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่บนเขาความรู้อะไรที่รู้เอามืออยู่บนเขาความรู้สึกตัวสติสมชัญญะอันเดียวกันเป็นของเก่งเป็นศัจธรรมเป็นสากลธรรมที่เป็นสากลที่สุดความรู้สึกตัวถ้าใครปฏิเสธความรู้สึกตัวก็แสดงว่า ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเพี้ยนไปแล้วมีแต่ความหลงแค่นั้นไม่ได้ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นมรดกเป็นอเลีย่ยทรั์ใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายในยามจําเป็นถ้าไม่มีเก่งๆนะพอแก้ขัดแก้จนได้ก็ยังดีเหมือนเรามีเงินมีทองเล็ก น, น้อยๆพอได้อยู่ได้กินก็ยังดีดีกว่าที่จะจน องโวรณท่านว่ายามอยากจนเอาดอกห้ามาแซมผมเประดับเล็กๆ น, น้อยๆเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวเวลาใดมันทุกข์รู้สึกตัวแค่ไปถ้ายังมีไม่มากนะแต่ถ้ามันมีมากแล้วโอ้ยมันหายไปเลยความโกรธอาจจะเป็นทั้งสุดท้ายความหลงอาจจะเป็นคลั่งสุดท้ายความทุกข์อาจจะเป็นคลั่งสุดท้ายเราก็พูดอยู่แต่เนี่แหละ เพราะหลักต่อประโยู่์เทเน่มันผูกเราอยู่เทเน่แต่เราไม่ไขคุณแจแจ้โซ่มันก็หลุดไม่ได้ต้องหลุดไปจากความหลงถ้าจะพูดแล้วหลงนี่แหละตัวหลงนี่แหละสําคัญเพราะหลงมันจึงโกรธเพราะหลงมันจึงทุกข์เพราะหลงมันจึงโลคเพราะหลงมันเป็นอะไรๆต่างๆไปทางต่ตํำๆ <c oughs> ไปทางต่ำพอไปทางต่ําก็ไปสู่ภูมิท่านต่ํา ถ้โลกไปทางสูงสูงคนจะคิดไปต่ำต่ำมนุษย์คิดไปสูงสูงคนคิดไปต่ำต่ำแล้วมันก็ง่ายนะคิดแบบต่ำต่ำถ้าสมมติว่าถ้าคิดแบบต่ำต่ทำทาไมจึงพูดอย่างนั้นทาไมจึงทําอย่างนี้ล่ะคิดไปต่ำต่ำถ้าคิดไปสูงสูงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดไปสูงสูงเราทวนแล้วทวนกระแสของความต่ํา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 ปุกราิฐานหมายถึงถาดเก่งๆลอยถาดแม่น้ำในรัญชลาถ้าเป็นธรรมมาทิสถานเอาทำรรเป็นท่ตีางหมายถึงอิตที่มันทวนกระแสองจจคงนะ์อาจจะคิดถึงเพมพานะอาจจะคิดถึงลาหุนอาจจะคิดถึงพระราชสมบัติพัดสถานทรัพสินเสด็งคาร อาจจะคิดถึงบริวารทั้งปวงไผ่พา้าประช า, าชนแต่ลใดที่พระองค์คิดถึงอย่าง ก, ก็กลับขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เรามาคิดถึงเปลี่ยนผาเราหุนเรามาสแสวงหาโมฆกกะธรรมกลับมาอยู่กับตัวเองอาจจะพระองค์อาจจะหายใจเข้าหายใจออกในพระสูตรก็อาจจะบอกว่าการคู่เฉียนเข้าการเดี่ยวแขนออกการคู่เขียนเข้าการเดียวเนออ ก, ก การเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังมีสติมีสติสตบับพภะต่างๆเอามาเป็นการปลูกสติทางกายทางจิตกายบับพภะอย่างที่เราสร้างอยู่นี่เป็นกายบับพภะเป็นสมัมปชัญญะบับพภะเอาความรู้สัวไปกับอริบทต่างๆเรียกว่ากายบับพภะสมัมปชัญญะบับพภะ กิด บ, บพะเอาความรู้สึกตัวเห็นความคิดอย่าให้มันคิดฟรีๆมันคิดมันหลงทีใดรู้สึกตัวรู้สึกตัวเดเร บ, บบบพะต่างๆเต็มไปหมดเลยเอามาปลูกสติเอามาปลูกสติชีวิตเราไม่ใช่ก้นเห็นไม่ใช่หลักแค่ต่อไปทำงานทำงานผู้มีสติพร้อมที่จะทำงานงานงานชอบเหมาะที่จะทำงานทำงานผู้มีสตินะผู้ไม่มีสติอาจจะไม่เหมาะ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 กระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนเราก็ขยายผลไปทางที่ดีทำงานก็เป็นทุกข์ทำงานไม่ต้องสนุกนะสนุกพรทํทำงานเบิกบานใจถล้วเราทำดีนะวันเราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้ชื่นใจอีกสิบปีมาดูต้นยางใหญ่โตโอผลงานของเรา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 บางที่เนี่ยเราก็ได้รับมาจากประเทศอังกฤษมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเคยมาอยู่ที่นี่เมืองคนเชียงใหม่ลำไยที่นี่เขาเอามาจากเชียงใหม่แล้วมาปลูกเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่นี่เขาก็เรียนต่อปริญญาเอกที่อังกฤษเราเลยได้แฟนที่นั่น เราได้ลูกสองคนเขาตามหาลูกเขาพอมันกลับบ้านแล้วมันไปไหนมันไม่เห็นโอ้พ่อก็ตามไปดูไปเปิดห้องดูเห็นลูกชายนั่งสร้างแจงวะต่อมาควักเมียของตัวเองมโอ้มันนั่งสร้างแจงวะอยู่โ น, น้นของพ่อต้องไม่ชื่นใจเห็นลูกชายนั่งจเจริญเติชื่นใจ เป็นยาหอมสําหรับพ่อสําหรับแม่นั่นอันนี้มันทําให้ชื่นใจได้นะพ่อแม่อาจจะได้สวรรค์ในผาพเพราะเราทําอย่างนั้นลูกใครทํางานเขาก็อวดเขียนจดหมายมาอวดหลวงพ่อฉันก็ได้สามีเป็นคนดีฉันก็ได้ลูกเป็นคนดีอชัดชาววานอะไรเขาชื่อเขามีความสุขมีความสุข ได้สวรรค์ในพานเพราะลูกลูกจงพ่อจงแม่ขึ้นสวรรค์ในพานไม่เช่ลูกจูงพ่อจงแม่ลงนรลลกหมกไว้อย่างนัญาติหลวงพ่อนะเป็นครูให้ลูกสาวไปทำงานที่กรุงเทพ <c oughs> คิดถึงลูกสาวขอพูดชั่หน่อยนะออชวนกันไป เยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพไปถึงตอนกลางคืนเห็นแต่บ้านเปล่าๆใส่คนแจไว้พ่อกับแม่ก็เข้าบ้านไม่ได้นั่งไล่ยุงอยู่จนถึงเที่ยงคืนลูกสาวขับรถกลับมาบ้านเราจอดบ้านพ่อก็ถามแม่ก็ถามมึงมาแต่ใสเอ็นัง่งหนูไปเต้นมา มาเต้นคืออะไอหนูไปดีดไปเต้นมาไปเต้นกับเพื่อนพ่อแม่ก็เศร้าใจโอ้ยกูอุตส่าห์คิดถึงมึงมึงยังสนุกสนานไปเต้นไปลไปําไปอ่าพอนไปลําไปสนุกสนานเนาะดูสิพ่อแม่อุตส่าห์คิดถึงพอไปเห็นลูกบอกว่าไปเต้นมาโอ้อ ก็คือไปเที่ยวไปเล่นสนุกสนานแบบเศร้าเศร้าใจเศร้าใจเพราะฉะนั้นนฮะต้องมีฝีมือเรื่องนี้บ้างเรามีบุญ็ทําทำให้เกิดบุญบุญก็ไปต่ออาบุตรบาปก็ไปต่อบาปบุญไปต่ออบุญคนดีก็ต้องมีคนดี คนไม่ดีก็ต้องมีคนไม่ดีเป็นเพื่อนเป็นมิตรบุญมันต่ออบุญบาปมันต่ออบาปบุญคือความดีบาปคือความไม่ดีเรามาสร้างขึ้นมาให้มีให้ชีวิตจิตใจของเรา <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จริงมันไม่สุดท้ายปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันเป็นคลอดที่เรามาเข้าอบรม แต่ว่าภาคปฏิบัติมีไปเรื่อยๆเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันของเรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งประดับเป็นการให้ข้อมูลกับชีวิตใจิตใจของเราเพิ่มไปเรื่อยๆใส่ใจใส่ความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตเพิ่มความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตอาจจะงอกงามอยู่บนงานบนรรลุธรรมอยู่ที่ทางานทาการ แล้วคนที่ไปบรรลุธรรมนอกรูปแบบไม่ใช่นั่งสร้างจังหวะไม่ใช่เดินจงกรมไปเลี้ยงหมูก็เกิดเข้าใจธรรมะไปเก็บป้ายอยู่ในไล่จำอไไรก่อนห ล, ลงตาอยู่มองเลยชาวบ้านทำไล่เป็นไอคขีบเวลาเจ็บป้ายเข า, เข า, เขาเก็เจ็บป้ายมือไปเจ็บป้ายมาใสป้าถุงไปมือเจ็บป้ายเขาก็รู้สึกตัวกับมือเจ็บป้าย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 เวลาใดมันหลงโอ้หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องทําความตำตำความหลงความไม่หลงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้กอบกู้เกิดมาชีวิตที่ไม่เป็นอะไรขับอะไรเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นพรหมจรรย์เป็นพระอเป็นพระเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระในใจไม่ใช่พระตามรูปแบบพระสมมุติสงเหมือนกับหมู่หลวงพ่อเป็นพระอริยบุคคลผู้ที่ ไม่จมอยู่ในความทุกข์ยกตนออกจากทุกข์เป็นเป็นพระน้อยน้อยก็นิพานน้อยน้อยเป็นพระเ็มลองนิพานเ็มลองเย็นไปเรื่อยไเย็นถึงที่สุดเย็นสนิทไม่มีพิษไม่ภัยแล้อาจจะเย็นเพียงอุ่นๆ อ, อยู่ก็ยังดีกว่าที่มันร้อนไม่มีไออุ่นก็ยังดีกว่าที่มันร้อนเก่ง เย็นชนิดต่อที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของชีวิตเราชีวิตเราต้องขนส่งตนเองให้พ้นภัยต่างๆศาสนาเนี่ยเป็นการขนส่งชีวิตของตนให้พ้นภัยพ้ น, พนปัญหาเนี่ยเรื่องศาสนาก็วันนี้ก็สมควรเจเวลาก็จบลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ ให้พรบอกพอรเนาะก็เอาหน่วยอวยพรให้ทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาดีแล้วปฏิบัติธรรมจงได้เป็นตบะเตชะค้าจชนหนุ น, นส่งชีวิตจิตใจของตนให้เข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูงในศาสนาส ม, มาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนนั่นเถอะ